เขาสำรวจประชากรทั่วโลกว่าประชากรในโลกเนี่ยหลายพันล้านคนนับถือศาสนาอะไรมากกว่าแต่พอเขาสำรวจเข้าจริงๆแล้วบอกว่านับถือพระพุทธศาสน า, าในมากเป็นอันดับหนึ่งคริสต์ศาสน า, าเป็นอันดับสองอิสลามเป็นอันดับสามไล่ลงมาเรื่อยๆอย่างไวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกสินตงซินโตก็ว่ากันไปแี่ไงแต่ว่าตมามที่จิศาสนาพุทธ ที่คนนับถือมากกว่าเพราะนั้นทุกมุมโลกถึงเขาจะไม่มีพระอย่างฝรั่งอย่างนี้อยู่อเมริกาอังกฤษเยอร ม, มันอะไรก็ตามเขาจะมีสมาคมของเขาสมาคมพุทธก็ว่างั้นนะเขาจะมีตํหรับตําลาอ่านขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามไม่มีพระแต่ไปพูดกับเขาด้วยสิเขาเก่งทงปาปัตยปิดกได้บ้างไหอปัตปิดกเนื่ไปถามเขาซะ พวกเราโตโตเต๋เต๋นสู้เขาไม่ได้เขาคล่องในพระไตรปิดกเขาศึกษาในพระไตผิดดกภาษาประไตรปิดกสมัยอังกฤษมาปกครองศรีลังกาพมา่าอินเดียเขาจะเอาตำวงตําราไปศึกษาหมดว่างนั้นถึะพุทธศาสนาอินเดียว่าอย่างไรพม่าว่า ย, งายัาายงไรลังกาว่า ย, งาย่งไรจากนั้นก็คลองไทยว่า ย, งายังไงพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน อย่างศาสนาพวกมหายานอย่างนี้จีนญี่ปุ่นไต้หวันจนถึงที่เบตพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแตแค่คล้ายคล้กันแต่ตามไม่จริงทางฝ่ายเราเนี่ยว่าพวกเทรวาตมาทา้งสีลังกาพม่าทไทยลาวกเมนินอันนี้เรียกว่าพวกฝ่ายเทรวาตทางอิอโนโดมาเซียอิสลามเข้ามาเป็นส่วนมากเข้ามาช่วงหลังๆ แต่ก่อนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เจริญยิ่งในพุทธศาสนามีโบสถ์มีแกะหินสลักโง่ใหญ่โตล้โหฐานนะอินโดนีเซียนแต่ต่อมาก็าศาสนาอิสลามเข้าไปกันเลยแตกรกระจายหมดเหมือนกับประเทศอินเดียนสรุปแล้วก็คือเรื่องพุทธศาสนาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปอยู่ในสถานที่ได้มีสาระมีประโยชน์ทั้งนั้นนะ่ะ ถ้าใครเอานำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถึงจะเอาเด็กเอามาพูดฝรั่งเอามาพูดแขกเอามาพูดจีนเอามาพูดก็เป็นธรรมทั้งหมดแต่เพียงแต่เอามาพูดเฉยๆไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่เวรหลังเขาพูดเวรหลังเขาว่าเพียงแต่พูดแต่เรื่องอาหารไม่ขจัดความหิวได้ชั้นใดเมื่อเราพูดแต่ปรัชญาคือแนวทาง ก็ไม่สามารถที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นนั้นอันนี้คล้ายๆว่ามีแต่พูดเลยเวลาเราหิวอาหารเนี่ยเราพูดแต่เรื่องอาหารเนี่ยเอ่มันไม่แก้กความหิวได้ถ้าเราไม่รับทานถ้าเรารับทานแล้วก็มันกระจัดความหิวได้อย่างนี้ก็เหมือนกันเราพูดแต่ปริญญามีแต่แนวแหลมคมเท่านั้นพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นคริดว่าอย่างนั้นอิสลามว่าอย่างนั้นอะไรว่าเอ่มีแต่เอาของมาพูดแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติ มันก็อย่างเก่านั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกใครจะพูดในสถานที่ใดก็ตามว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงตนเองอันนั้นแหละคือความถูกต้องเป็นธรรมถูกต้องที่สุดเราไม่ต้องไปพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเท็จจริงยังไงใครเป็นคนกล่าวอย่างที่กล่าวสักครู่นี้เหมือนกันว่าเวลางกล่าวกจริงหรือเปล่ากล่าวเมื่อเวลาเท่าไหรพอสอเท่าไร ในขณะที่กล่าวนั่นไวหลังยืนหรือนัง่งหรือทำยังไงอยู่ก่อนที่จะกล่าวคำนี้ขึ้นมาถ้าใครเป็นศึกษาถึงขนาดนั้นแล้วก็ตายไปกี่พบกี่ชาติก็ยังไม่ได้ความจริงขึ้นมาเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยึงบอกว่า เ, เมื่อเขายิงลูกปืนถูกตัวของเราแล้วมันฝังอยู่ข้างในแล้วถ้าหากว่าคนที่เจ็บบอกว่า ปืนที่เขายิงมาหนึ่งเขายิงมาจากทิศไหนปืนอะไรเอสเคและเอ็มสิบหกจุดสามแปดหรือสิบเอ็ดมมเขายิงมาอย่างไงมันถูกแล้วหัวกระสุนน่ะมันทําด้วยทองเหลืองหรือทําด้วยตะกัว่วไปถามคนดูสิอถ้ายังไม่รู้ยังไม่ให้ผ่าตัดยังไม่ให้ทําอะไรคนนั้นก็จะต้องตายเปล่าเพระฉะนั้นเวลาถูกลูกกระสุนก็รีบจัดการผ่าตัดนั่นเป็นเรื่องทีหลัง ถ้าหากว่าเราไปถามต้นตอของมันอยู่ใต้เปล่าอันนี้ก็เหมือนกันทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตราริงหรือเปล่าคํานี้พระพุทธเจ้าได้สําเร็จจริงหรือเปล่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัรตสรู้นะ่ะท่านสันปักยาหานท่านไปถ่ายที่ไหนอจะไปถามถึงขนาดนั้นเลยจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีทางที่จะได้ปฏิบททัติธรรมตายเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่า ศึกษาแนวธรรมของพระเจ้าและศีลห้าของพระเจ้าที่บัญญัติไว้ในถูกต้องหรือเปล่าศีล ส, สมาธิปัญญาของพระเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ถูกต้องหรือเปล่าในเมื่อถูกต้องแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติแก้ไขตนเองอันนั้นคือความถูกต้องที่สุดไม่ควรจะเสาะสืบตนถึงต้นตอกิ่งง่าจนเกินไปพอศึกษาให้รู้แนวทางถึงจะมีอภินิหารบาั่งถึงจะมีพูดเกินเว่อร์เกินไปบ้าง แต่เราจะไปถือเอาจุดนั้นถือเอาจุดที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ที่เราพิจารณาดูแล้วมีเหตุและผลเพราะทำคำสั่งสอนของร 84, พระเจ้าแปดมนสี่พันพระธรรมมาขันล่วงเลยมาถึงสอง0ันห้าร้อยกว่าปีแต่ขนาดไม่กี่ปีคำพูดของเราเองพนที่จับเอาไปพูดต่อก็ยังคลาดเคลื่อนได้เพราะนั้นเราไม่ต้องคิดที่จะไม่คลาดเคลื่อนในพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้น แต่ว่าถึงยังไงเราพอดพิจารณาดูแล้วด้วยสาระด้วยประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์พิจารณาดูแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบัวท่านเขียนประวัติหลวงปู่มันท่านก็เขียนในฐานะเกจิเท่านั้นนะนะครับใ น, าน ฐ, ฐานะอัตถกถาคือมีอภินาันหา์บ้างมีอะไรบ้างเพื่อจะให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยตื่นเต้นลบเล่าแต่จุดที่ท่านเน้นหนักจริงๆ ค, คือคือคํา พูดเรียกว่าคาสอนของหลวงปู่มั่นพูดออกมาแต่ประโยคจุดนั้นเป็นจุดที่มีสาระที่มีประโยชน์แต่คนที่ไปพูดถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเห็นพญานาคพญานาคมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงต้นตอของพญานาคมันอยู่ยังไงลักษณะยังไง อ, อถ้าจะไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันลอยลงแต่หลวงปู่มั่นพูดกับพญานาคจะพูดยังไงสมมติว่าเป็นคนก็ได้สมมติเป็นนาค หรือธรรมเทศนาของท่านที่พูดออกไปมีสาระมีประโยชน์ไหมยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าอย่างที่ในชาดกนะพระพุทธเจ้าท่านยกชาดกขึ้นมาอย่างโคนันทิวิสารนะ่ยที่พราหมณ์ดูดาบัวก็สมบัติแอกจากนั้นบัวก็กล่าวขึ้นว่าเราได้ทําความช่วยเสียหายแก่ท่านยังไงท่านจึงได้ดุดาว่ากล่าวว่าไอ้ถ่อยไอ้ พูดเป็นภาษาที่ไม่สุภาพด่าข้าพเจ้าอถ้าเราจะไปพูดไปซักไซไลเลียงแล้วไปถามถึงตนต่อถึงวัวทำไมจึงพูดได้เนี่ยถึงขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าวัวจะพูดได้ขนาดนั้นอย่างนี้นะะมันก็ไปเกิดสาระมีประโยชน์แต่วัวเขาพูดอย่างนั้นนะ่ะคนที่จะให้ช่วยเหลือเราก็พูดเป็นสัมมาวิจาอันนั้นคือความถูกต้อง สมมติเราจะให้เขาช่วยเหลือเลยไปด่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องควรจะพูดให้เป็นสัมมาวาจาอย่างม้าเขาเหมือนกันอย่างที่กล่าวในชาดกพวกเลี้ยงม้าเขาถามว่าตะกอนท่านกินอาหารได้ทุกอย่างเมื่ออยู่กับยายแก่แต่มาอยู่กับข้าพเจ้าทำไมท่านจึงไม่กินอาหารเหมือนกับอยู่กับยายท่านกินแต่ข้าวชาลีและหญ้าสามใบยกยอดเท่านั้น แต่ก่อนท่านทำไมจึงกินทุกอย่างม้าเขากล่าวขึ้นว่าสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่บัดนี้พวกท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นม้าอาชนายเพราะนั้นม้าอาชนายจะกินแต่ข้าวชาลีที่คลุกด้วยน้ำผึ่งเท่านั้นและกระยาสามใบกระยอดเท่านั้นแต่เมื่อใครยังไม่รู้ข้ากินได้ทุกอย่างแต่เมื่อพวกท่านรู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าจะทาอย่างนั้นไม่ได้ อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะเป็นเบ่งรู้จักข่าไหมข่าเป็นใครอันนั้นเป็ว่าแสดงว่าโง่สมัตในเมื่อเขาไม่รู้เราเราก็ทําได้ทุกอย่างแต่เขารู้ว่าเราเป็นใครเราก็ต้องกลับมาวางตัวขึ้นมาให้เหมาะสมอันนั้นคือความถูกต้องความหมายในในชาดกนั้น อันนี้คือเกดปีกย่อยคนที่มันติดอยู่ในปีก ย, ย่อยในคำสั่งสอนพุทธศาสนาทั้งที่จะเข้าไปถึงแก่น<ม>กลับมาติดเบือกติดกับพี้ซะและปิดหูปิดตาตนเองทำให้ไม่เลื่อมใสในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ลึกว่า ง, งั้นแต่แต่ควรอย่างลึกเข้าไปแล้วเห็นอนิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราทาไมจึงปฏิเสธถึงขนาดนั้น แล้วลงมือประพุทธปฏิบัติไตรตรองตามเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละถอนไม่ขึ้นท่นนี่เชื่อจริงๆเชื่อในพระพุทธเจ้ากราบแล้วกราบอีกโอ้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่จะรู้ถึงขนาดนี้เห็นถึงขนาดนี้เออท่านเรียนมาจากใครท่านพิจารณาได้อย่างไรเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนั้น่เชื่อตามความเป็นจริงพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธบริษัทลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ควรใช้ปัญญาอย่าไปใช้แบบความโง่ซื่อบือ้อใช้ไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรองตามเหตุและผล